พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลักตาก็เห็นเป็นใครกันกราพ่ออรหันต์ท่านใดได้บุญทันที รักบรรดานิทานสีขาวเรื่องฉันไม่ใช่ของอาโปมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าอาโปเด็กหญิงอาโปเป็นเด็กที่รักการอ่านหนังสือมากทุกๆวันอาโปจะต้องเข้าไปในห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือที่เธอชอบออกมาอา่านหากวันไหนไม่ได้อ่านหนังสืออาโปจะรู้สึกหงุดหงิดและอยู่ไม่เป็นสุขไปตลอดทั้งวัน แต่เนื่องจากห้องสมุดที่โรงเรียนมีขนาดเล็กและหนังสือที่อาโปสนใจก็มีน้อยดังนั้นในเวลาไม่นานอาโปจึงไม่อาจหานังสือจากห้องสมุดมาอ่านได้อีกอาโปรู้สึกกลุ้มใจมากเกรงว่าจะไม่ได้อ่านหนังสืออีกดังนั้นเธอจึงไป ร, รบเร้าแม่เพื่อของเงินซื้อหนังสือ แรกๆ แ, แม่ของอาโปก็รู้สึกดีใจที่ลูกสาวรักการอ่านจึงยอมซื้อนังสือให้ตามคำขอแต่อาโปนั้นเมื่อมีนังสือเป็นของตอนเองก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านนังสือทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ยอมลุกไปทำอย่างอื่นดังนั้นอาโปจึงอ่านนังสือที่แม่ซื้อให้จบภายในเวลาอันรวดเร็วและขอให้แม่ซื้อให้อีกอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดแม่ของอาโป ก็ไม่อาจทำตามคาขอของลูกสาวได้อีกต่อไปทำไมล่ะคะแม่แม่ไม่ดีใจหรือที่หนูชอบอ่านหนังสืออโปโอดครวรเมื่อได้รับคาปฏิเสธจากแม่แม่ดีใจมากเหลือเกินที่ลูกของแม่ชอบอ่านหนังสือแต่เมื่อลูกเอาแต่คร่ำเคร่งอ่านหนังสือแม่ก็ไม่สบายใจนะ ลูกน่าจะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆหรือทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับตัวลูกและคนอื่นบ้างถ้ามัวแต่จับเจาเอาแต่อ่านหนังสืออยู่ในบ้านโดยไม่ได้ออกไปดูโลกที่แท้จริงบ้างเลยอย่างนี้การอ่านหนังสือของลูกจะมีประโยชน์อะไรเล่าแม่พยายามอธิบายให้อโปเข้าใจแต่อโป ร, รู้สึกขัดใจเสร็จแล้วจึงกล่าวอย่างเด็กเอาแต่ใจว่า แม่ไม่ต้องมาอ้างนอ่งอ้าง น, นีให้หนูเลยหนูไม่เชื่อหรอกหนูว่าที่จริงแล้วแม่ก็แค่ไม่อยากเปลืองเงินมาซื้อหนังสือให้หนูอ่านใช่ไหมล่ะแม่ของอาโปฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจอย่าแปลเจตนาแม่ผิดไปเลยลูกรักแม่หวังดีกับลูกจริงๆแต่ที่ลูกพูดมาก็มีส่วนถูกบ้านเราไม่ได้มั่งมีอะไร การที่จะเอาเงินไปซื้อหนังสือราคาแพงให้ลูกอ่านบ่อยๆเป็นเรื่องที่แม่ต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามแม่ยังสนับสนุนให้ลูกมีหนังสือดีๆอ่านอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแม่จะซื้อหนังสือเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกทุกปีปีละแปดเล่มก็แล้วกันนะลูกรักปีละแปดเล่มอาโปกระแทกเสียงหนูจะอ่านพอได้อย่างไรแค่วันเดียว หนูก็อ่านจบไปหนึ่งเล่มแล้วเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอกับสิ่งที่ลูกมีไม่ใช่แค่นั่งอ่านหนังสือแต่ลูกต้องทำอย่างอื่นบ้างแล้วแม่ก็ยืนยันที่จะให้หนังสือกัลูกได้เพียงเท่านั้น แม่ของอโปกล่าวก่อนจะเดินจากไปสร้างความขัดเคืองใจให้แก่อโปเป็นอย่างมากเมื่อไม่รู้ว่าจะหาหนังสืออ่านได้จากที่ไหนสุดท้ายอโปก็จึงต้องยืมเพื่อนๆในห้องและต่างห้องที่รู้จักกันฉันอยากอ่านหนังสือจังเธอมีหนังสือดีๆให้ฉันยืมบ้างไหมอโปมักจะถามเพื่อนๆแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆทุกคนต่างก็เต็มใจให้เธอยืมหนังสือไปอา่าน ฉันมีเรื่องเกาะผจญภัยสนุกมากเธอจะลองเอาไปอ่านดูก็ได้นะสายฟ้าบอกฉันมีหนังสือเรื่องความลับเจ็ดประการถ้าเธออยากอ่านเดี๋ยวฉันจะเอามาให้ปุ้งกีว่าสนใจเรื่องห้าสหายผจญภัยหรือเปล่าฉันอ่านแล้วสนุกจนวางไม่ลงเลยคิดว่าเธอก็น่าจะชอบเหมือนกันเยี่ยมยอดก็เสนอ อาโปนำหนังสือที่ยืมจากเพื่อนๆกลับมาอ่านที่บ้านด้วยความที่เธอชอบอ่านหนังสือมากครั้นอ่านเล่มหนึ่งเล่มใดจบแล้วอาโปก็จะหยิบเล่มต่อไปขึ้นมาอ่านต่อทันทีโดยไม่ได้ดนำหนังสือเล่มที่อ่านจบแล้วไปคืนเจ้าของเสก่อนดังนั้นเธอจึงมักลืมคืนหนังสือแก่เพื่อนๆ อ, อยู่เสมอ นานวันเข้าหนังสือที่ยืมคนอื่นมาก็วางอยู่เต็มชั้นหนังสือของอาโปซึ่งอาโปก็สังเกตเห็นเข้าในวันหนึ่งแต่แทนที่เธอจะสำนึกได้และรีบนำหนังสือเหล่านั้นไปคืนเจ้าของอาโปกลับรู้สึกดีที่เห็นหนังสือวางเรียงอยู่บนชั้นหนังสือของเธอยังสวยงามความโลกเข้าครอบงำจิตใจของอาโปเธอรู้สึกว่าการยืม คือวิธีที่จะได้สิ่งของของผู้อื่นมาโดยง่ายบัดนี้อาโปได้กลายเป็นเด็กที่ไม่ซื่อสัตย์ไปเสแล้วในที่สุดความคิดเช่นนั้นก็บงการให้อาโปมีพฤติกรรมเลวร้ายต่อไปอีกเนื่องจากในครั้งหลังๆอาโปม่ได้ยืมเพียงหนังสือของเพื่อนเท่านั้นแต่เธอยืมทุกอย่างที่อยากได้เช่น ดินสอลายสวยสว ย, ยังลบคุณภาพดีสีไม้ราคาแพงและอื่นๆอีกมากมายมาเป็นของใช้ส่วนตัวและเมื่อมีเพื่อนคนไหนมาทวงถามอโปก็จะตอบว่าอะไรกันเชนคืนเธอไปตั้งนานแล้วนะลองไปหาดีๆสิเธอทำหายไปเองหรือเปล่าฝ่ายเพื่อน เมื่อทวงของจากอโปแล้วไม่ได้รับของคืนก็คร้านที่จะทวงอีกต่อไปไม่มีใครอยากทำเรื่องให้ยุ่งยากและอย่างน้อยอโปก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปโดยหวังว่า เมื่ออโปคิดได้เธอก็คงจะนำของทั้งหมดมาคืนเองซึ่งการไม่ว่ากล่าวตักเตือนอะไรเลยเช่นนี้ไม่ได้ช่วยให้อโปสำนึกได้แต่อย่างใดตรงกันข้ามเธอกับยิ่งได้ใจและเกิดความมักได้ต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดเวลาล่วงเลยพร้อมๆกับความเชื่อถือในตัวของอัโปที่เริ่มหายไปจากใจของเพื่อนๆและแล้วคืนหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นในห้องของเธอ เมื่ออโปเข้านอนและอยู่ในช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงพูดเงิมงิงหลายเสียงดังอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่อโปใช้เก็บหนังสือและนั่งทํากันบ้านอาโป ร, รู้สึกแปลกใจป่านนี้แล้วยังมีใครไม่นอนอีกในเมื่อพ่อกับแม่เข้านอนก่อนเธอเสียด้วยซ้าด้วยความสงสัยอโปจึงลุกจากเตียงแล้วค่อยๆย่องออกจากห้องนอนไปแอบฟังอยู่หน้าประตูห้องนั้น มีเสียงคุยกันจริงๆแย่ yeah, จริงเสียงหนึ่งในห้องพูดขึ้นฉันไม่ได้เป็นของอปโปนี่ฉันเป็นของแนงน้อยตาหากนี่ไงมีชื่อแนงน้อยอยู่บนตัวฉันด้วยฉันก็เหมือนกันมีชื่อนิดหน่อยอยู่บนตัวฉันอุ๊ยฉันเป็นของสายฟ้าเขารักฉันมากและอ่านฉันถึงหกครั้ง ครั้งสุดท้ายเขายังอ่านฉันไม่ทันจบด้วยซ้ำแต่ยายเด็กอาโปก็ดันมายืมซะก่อนดูสิฉันมีค่ากับสายฟ้าขนาดนั้นแต่เวลานี้กลับต้องมานอนแกวอยู่บนชั้นวางหนังสือที่ทั้งเก่าและสกรปรก เด็กอโปคนนี้มักจะทําอะไรช่วยๆไม่เข้าท่าดูเผลอๆเหมือนว่าเธอจะชอบอ่านหนังสือแต่กลับไม่เคยดูแลฉันให้ดีเลยชอบพับกระดาษบางหน้าของฉันไว้เป็นที่คั่นหน้าหนังสือแทนที่จะหากระดาษอื่นๆมาคั่นไว้ให้เรียบร้อยเด็กอะไรไม่รู้จักระวังรักษาหนังสือบ้างฉันเลิกเกลียดนะักอยากกลับไปหาสายฟ้าคนดีของฉันมากกว่าคุณพระช่วย อาโปคิดอย่างตื่นตกใจหนังสือพูดได้จริงๆหรือนี่ไม่น่านเชื่อทันใดนั้นเองประตูห้องก็เปิดออกอย่างแรงจนอาโปแทบจะตั้งตัวไม่ทันหนังสือหลายเล่มซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ของอาโปเลยสักเล่มเดียวพุ่งตัวออกมาจากห้องนั้นทั้งหมดต่างผลักใสและกระทบกระแทกกันเพื่อจะได้ออกมาโดยเร็วที่สุดหยุดนะพวกเธอจะไปไหนอยู่กับฉันสิฉันอุตส่าห์ได้พวกเธอมาแล้วแท้แท้ อาโปร้องบอกหนังสือเหล่านั้นและพยายามยื้ยุดไขว้คว้าบางเล่มไว้แต่ไม่มีหนังสือเล่มใดยอยากอยู่กับอาโปหนังสือเล่มหนึ่งกระโจนเข้ากระแทกอกเธอจนอาโปหงายหลังล้มลงไปกองกับพื้นพร้อมกันนั้นมันได้ตะโกนบอกด้วยเสียงกราดเกลี้ย ว, ว่าเด็กนิสัยไม่ดีพวกเราไม่ใช่ของเธอซักหน่อย ทำไมจะต้องอยู่กับเธอด้วยเธอครอบครองพวกเรามานานพอแล้วถึงเวลาที่พวกเราจะได้กลับไปหาเจ้าของที่แท้จริงของพวกเราสักทีพวกเราจะบอกทุกคนที่พวกเราพบว่าเธอยืมของเพื่อนๆไปแล้วมิคืนเธอจะต้องอับอายเพราะความมักได้ของตัวเองว่าแล้วหนังสือเหล่านั้นก็รีบร้อนลงบันไดเป็นการใหญ่ พวกมันพากันทะยานข้ามเท้าของอาโปและไม่มีหนังสือเล่มใดยอมเสียเวลาสนใจเธออีกอาโปตกใจและรู้สึกอับอายในคำตำหนิของหนังสือเล่มนั้นจนพูดไม่ออกเธอมิกล้าเอ่ยคาห้ามใดๆอีกแล้วจึงทำได้เพียงมองดูพวกมันทยอยลงบันไดเข้าไปในห้องเล็กผ่านห้องโถงไปทางหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดอยู่อยานะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครเรื่องชันยืมของเราไม่คืน อย่าบอกใครนะอโปตะโกนตามหนังสือเหล่านั้นไปจนสุดเสียงตอนนั้นเองอโปก็ได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อเธออยู่หลายครั้งอโปจึงหันกลับไปแล้วในชั่ววิทาทีนั้นอโปก็รู้สึกเหมือนมีแม่มาอยู่ใกล้ๆไม่ใช่สิไม่ใช่แค่รู้สึก แต่แม่มานั่งอยู่ใกล้ๆอโปจริงๆนั่งอยู่บนเตียงและก้มลงมองเธอด้วยแววตาที่แสนห่วงใยแม่จ๋าแม่อโปรีบลุกขึ้นกอดแม่อย่างรวดเร็วเธอรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เป็นเพียงความฝันฝันร้ายหรือรู้รัรกลูกไม่อยากให้ใครบอกอะไรเกี่ยวกับลูกหรือแม่ของอโปถามทางลูกหลังของเธอเบาๆเป็นการปลอบ หนูทำเรื่องไม่ดีเอาไว้จ้ะช่างหน้าละอายเกินกว่าจะากล้าเล่าให้แม่ฟังเพราะถ้าแม่รู้แม่ต้องผิดหวังที่มีหนูเป็นลูกแน่ๆอโปตอบเสียงเบาหวิวเสียงเธอสั่นเล็กน้อยเพราะยังไม่หายตกใจจากเรื่องราวในความฝัน แม่รักลูกแม่ไม่เคยผิดหวังที่มีลูกเป็นลูกของแม่บอกแม่มาเถิดลูกรักถ้าเรื่องนั้นร้ายแรงจริงๆเราจะได้ช่วยกันิดแก้ไขก่อนที่จะสายไปกว่านี้ดังนั้นอาโปจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังรวมถึงความฝันที่ทำให้เธอต้องละเมอออกมาเช่นนั้นความจริงแม่อาโปก็รู้อยู่แล้วว่าลูกสาวยืมหนังสือของเพื่อนที่โรงเรียนมาอ่านหลายเล่ม แต่ไม่เคยรู้ว่าอาโปไม่มีความคิดที่จะนำหนังสือเหล่านั้นไปคืนเจ้าของเมื่อฟังคำบอกเล่าของอาโปแล้วแม่ของอาโปก็นิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะพูดว่า ลูกทำให้แม่ตกใจจริงๆอย่างไรก็ตามแม่เชื่อว่าในตอนนี้ลูกคงสำนึกได้แล้วว่าตัวเองทำอะไรผิดไปบ้างเรื่องนี้แม่จะไม่เข้าไปยุ่งเพราะเป็นปัญหาของลูกกับเพื่อนๆดังนั้นลูกจะต้องจัดการปัญหาของลูกเองแม่เชื่อว่าลูกของแม่ต้องทาได้จะ้ะ คืนนั้นอโปนำคำของแม่ไปคิดต่อจนนอนไม่หลับถูกแล้วที่เธอต้องจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองแต่เธอจะทำอย่างไรทางเดียวที่น่าจะแก้ปัญหาได้ก็คือต้องเอาของทั้งหมดไปคืนเจ้าของแต่ถ้าทำอย่างนั้นเพื่อนๆก็รู้หมดสิว่าเธอชอบเก็บของคนอื่นเอาไว้หรือจะปล่อยไว้ในเมื่อนั้นเหมือนก็เป็นแค่ความฝันไม่ใช่เรื่องจริง แต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วแม่ของเธอจะผิดหวังในตัวเธอหรือไม่อาโปคิดไปคิดมาก็ยังรู้สึกกลัวๆ ก, กล้าๆอยู่วันรุ่งขึ้นก่อนไปโรงเรียนอาโปเดินเข้าไปในห้องเก็บหนังสือแล้วก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่านอกจากหนังสือของเธอเพียงไม่กี่เล่มแล้วบนชั้นวางหนังสือก็ไม่มีหนังสืออื่นวางอยู่เลยหนังสือเล่มอื่นๆที่เธอยืมเพื่อนๆมาหายไปหมด อปโปน่ซีเผือกหรือเรื่องเมื่อคืนจะไม่ใช่แค่ความฝันซะแลว้วขณะกำลังสับสนกับความคิดอยู่นั้นสายตาของอาโปก็เหลือบไปเห็นลูกบอลของสมชายและปากกาของนงนุ ถ้าเผื่อมันอยากจะทาอย่างพวกหนังสือบ้างอะไรจะเกิดขึ้นหากจูจูสิ่งของเหล่านี้ลุกขึ้นมาพูดคุยเรื่องของเธอและเดินออกไปจากห้องตอนกลางวันแสกๆจะเป็นอย่างไรเธอไม่ต้องอายจนแทบแทกแผ่นดินหนีหรืออาโปหน้าแดงเพราะรู้สึกอายตัวเองเธอรีบรวบรวมสิ่งของทั้งหมดที่ไม่ใช่ของเธอใส่ถุงแล้วนาไปคืนเพื่อนๆที่โรงเรียนทันทีขอบใจนะ เพื่อนๆของอโปพูดอย่างประหลาดใจเราคิดว่าเธอตั้งใจจะเก็บเอาไว้เองซะอีกเฮ้ย hey, อโปไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกสมชัยว่าพร้อมกับกอดรูปบอลของตนที่เพิ่งได้คืนมาอย่างดีใจอโปแค่คืนของช้าไปหน่อยเท่านั้นดูสิอโปเอาของทั้งหมดมาคืนพวกเราแล้วนี่ไงพวกเราก็เลิกคิดไม่ดีกับอโปเถอะนะเราต้องมองเพื่อนเราดีเหมือนเดิมและไว้ใจกันเหมือนเดิมสิ เพื่อนๆทุกคนเห็นด้วยกับสมชายต่างพากันขอโทษอโปที่เคยเข้าใจเธอผิดไปอโป ร, รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆเธอคิดในใจว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เอาของที่ยืมจากคนอื่นมาเป็นของตัวเองอีกแล้วฉันไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับฉันอีกแล ะ, ะต้องไม่มีอีกแล้วด้วย ในวันเดียวกันนั่นเองอเพื่อนๆที่อโปเคยยืมหนังสือไป<ๆ>ก็เข้ามาพูดคุยกับอโปว่าพวกเขาพบหนังสือที่เธอเคยยืมไปวางอยู่บนชั้นหนังสือที่บ้านอย่างน่าอัศจรรย์บางคนก็ขอโทษขอโพยที่จําไม่ได้ว่าอาโปเคยคืนหนังสือเข้าไปแล้วแต่ก็ยังมาทวงหาอยู่อีกอย่างไรก็ตามสุดท้ายทุกคนก็ไม่ติดใจอะไรอีกและพร้อมที่จะกลับมาเชื่อใจ อ, อโปเหมือนเดิม หลังจากนั้นอาโปก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่นอกจากการนำของที่ยืมไปคืนเจ้าของทุกครั้งแล้วเธอยังฝึกจัดสรรเวลาเพื่อการอ่านหนังสือที่ถูกต้องอีกด้วย หลังจากนั้นอาโปก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่นอกจากการนำของที่ยืมไปคืนเจ้าของทุกครั้งแล้วเธอยังฝึกจัดสรรเวลาเพื่อการอ่านหนังสือที่ถูกต้องอีกด้วยแม้กระนั้นอาโปก็ยังมีหนังสืออ่านไม่เพียงพออยู่ดีแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรอีกแล้วเพราะอาโปรู้จักเก็บหอมรอมริบและอดทนรอคอยที่จะได้อ่านหนังสือซึ่งซื้อหามาได้ด้วยเงินของตนอย่างภาคภูมิใจ เธอทั้งหลายคนเป็นเจ้าของย่อมต้องรักและหวงแหนสิ่งที่เขาครอบครองหากเธอขอยืมของรักของเขาและเขายอมให้เธอยืมแสดงว่าเขามีน้ําใจที่ประเสริฐมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังเชื่อมั่นในตัวเธอเชื่อว่าเธอจะไม่ทําลายน้ําใจเขา ดังนั้นเมื่อยืมสิ่งใดจากใครมาก็ตามเธอจึงควรเคารพและรักษาน้ำใจของเขาไว้ด้วยการรักษาของรักของเขาที่เธอยืมมาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและเมื่อได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ยืมมาจนเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องรีบคืนเจ้าของโดยทันที การหยิบยืมของคนอื่นนั้นเธอต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เธอได้ไปไม่ใช่ของของเธอแต่เป็นของผู้อื่นหากเธอยืมสิ่งใดจากใครมาแต่ไม่เอากลับไปคืนไม่ว่าเธอจะตั้งใจเก็บของสิ่งนั้นไว้เป็นสมบัติของตนเองอย่างไม่ซื้อสั์หรือแม้แต่ลืมโดยไม่เจตนาก็ตามนั่นไม่ถือว่าเป็นการยืมอีกต่อไป แต่มีความหมายเท่ากับการขโมยซึ่งนี่ไม่ใช่คากล่าวหาที่ร้ายแรงเกินไปหากเธอลองคิดดูดีๆเธอจะเห็นว่าคํากล่าวนี้เป็นคํากล่าวที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามอย่าทำตัวเป็นคนขี้ยืมอยู่ตลอดเวลาแต่จงจัดสรรตนเองให้ใช้ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อย่างพอเพียงหากเธอไม่มีบางสิ่งแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มันอยู่เสมอ วันนี้เธอก็ต้องคิดหาวิธีบริสุทธิ์ที่จะทำให้มีสิ่งนั้นไว้ใช้เป็นของตนเองสักทีการใช้ของที่เป็นของเราเองยอมสร้างความสะดวกใจและน่าภาคภูมิใจกว่าเป็นไหน